ใครไม่คตัดหวความเท็นะหุณนี่คุณนี่เคหรือเล่กจกล้าดูว่าปรเทศจะัดไหนเมื่อกีเท็ยากไปก็ไม่ดีเท็ง่ายไปก็ไม่ดีเรามาศึกษากรรมะเราเห็นไหนๆก็เข้ามาดูนะโยบุคุณชด่เป็นเกือบสามสิบปีธรรมตของทั้นยังดำนรนอยู่ ท่านไม่แก่ไม่เจ็บที่ตายสิ่งที่ท่านสอนพ้องฝังคือซื้อเป็นบุญของคนทภิสามมีพ่อเปนตําสดิได้รู้บาาจารย์เหมือนหลวงตาที่ประวัตสอนจนตัวหนังอ่านลักนั่งดูนั่งกนั่าไปไหนก็ผู้ถรีท่านเรือยนอย่างน้อยเรา ขอรบทั้นเลื่อนมุยคุณหนขั้นอุตสาสามสอนเรามาได้ดนได้ดีที่มาพบกะท่านพยายามดำรงธรรมะที่ท่านสอนเอาไว้นมาตอกต่อพวกเราบางคนม่มีโอกาสที่จะฟังธรรมะของท่นคนนั้นจะคิดว่าหลวงปู่ดูลย์สอเกี่ยวกจิตจิตยิ่งชาติลูกศิษย์ท่านมีสานเรครับ รู้กายก็มีนะรู้จิตกงงีหลายแบบท่านกิล้อจักมจักเราท่านหนึมม่งมีหนาปกมีหนากอยู่เส้นเดียวหลายเส้นก็ไม่ได้ตนะ้องเส้นเดียวเราแคะดูกกระดูแต่หลเงพ่มันอยากท่า น, าา ท, านท่านให้รู้จิตท่านกว่าเรเป็นคนเมืองกรรมฐานที่มันเหมอะกับคนเมืองเสมัยใหม่ภานาที่จิตทั้งหวน ใจเรานั่งสมาธิมาเราหลายหลายชั่วโมงกินขาวไม่ไหวใจเราเลยคุงเต็มที่เลยเป็นเช้าขึ้นมาก็ตะลินตลาดไปทางานทำงานต้งเหนื่อยทั้งวันประมาทักข้าให้นั่งสมาธิหลายหลาชั่วโมงนั่งไม่ไหวไม่เหมือนตามันตาเบียนต่างๆเบียนนั่งสมาธิไม um ่เยอะหน่อยโยนเบียนเบ็นยิบเรียนลำบากมาตากเราถูเราแน่เบียนถูตา สองการอ่นรยยี่สิบห้าและเข้าไปกราบทา่านคุณดี่านียในโบสถ์ในทางงปเป็นการจะกราบเรียนท่านหลวงปู่ของอยากปฏิบัติท่านไม่พูดนะท่านน่งหลับไายงเงียบเงียบเป็สักชัโมงท่านลืมตาแค่ก็สอนการปฏิบัติไม่ยากยากเฉพาพผู้ทีปฏิบัติผ่านนสือมาบมางนะแต่เป็นที่อ่านจิตนเองท่านสอนเราให้บู้จิตจริง จำเลท่านสอนมันเป็นตูที่หลังท่านฉลาดท่านแห่งองจริงๆแล้วก็ตอนนั้นท่านจะเห็นวกวน้ำสมทธิทุกวันทุกวันจะเดินปัญญาไม่เกลี่ยนเได้ยินครูาจารย์สอนให้พูดผัวแล้วทิชชระากายเราทิชชู่รนักไปดูผมนดูครับเดียมันสลายไปเห็นหนังศีรษะดูนังศีรษะครัสลายไปเป็นหัวกรดดูหัวกรดนะนี้เยินหัวขาดไป ดูดกระดุกตอนนี้เห็นกระดุกทั้งตัวดูวิแป๊บเดียวมันเริ่มจะหนดใจมันแสสว่างเราไปต่แล้วเป็นครับเราดูจะภานาอย่างเงี้ยมันตันยแค่นี้นะคราต้องเวลาจะมาที่ทางตายรู้สึกมิสุกเลยรู้สึกไมครับแค่ไม่ถูกจริตเลยไม่ต้องมาเจอหลวงปู่ลปู่ท่านสลาดแหลมงสอนแต่ละ่นคนเป็นเหมือนันแงดูแล้วครับ หลวงพ่อจะเป็นพวกคเนเรยมองวันวันรับทำงานที่ใช้ความคิดมากมายงั้นถ้ากรรมาฐานอะไรที่เหมาะกับคนชอบคิดก็คือการดูจิตหรือใจของตัวเองนี่เองอันนี้ตรงกับในตราอภิธรรมเลยนะท่านไม่ได้เรียนอภิธรรมหรอกนะหพ่อแต่ว่านะท่านคงไม่ได้เรียนหรอกแต่ท่านภาวนานความรู้ความเห็นของท่านนั้นแจ่าแจ่มแจ่มแจ่มจริงๆก็ลงันกับตำราที่ทำ ในตารามที่ทําีสองจริตนิสัยของข้าปฏิบัติมีสองจริตจริตในการทำวิปัสสนาเนี่ยมีสองจริตแต่คนทั่วๆไปไม่ค่อยรู้จักเรามักจะได้ยินแต่เรื่องราาจริตโทสจริตวงหะจริตพวกนี้ไปไม่ดีนะพจริตวิตตจริตสัตจริตของรรป่ดจริงอย่างเนี้ยเป็นจริตเอาเรื่องอารที่ใช้ทำสมถะอรรถะทำบางสมุ แต่เปิดไหนขี่โมโหคนก็เจรินเมตตาก็สงบได้ธรรมธรรมะที่ทรงตั้งโมโหมากก็เจริญเมตตาพอเมตตาเกิดไโทรศัพท์ก็หมยไปหรือสาคะมากเข้ามาที่เจรนาปฏิบูลที่น้าสุดาพแต่จิตใจสลรถแหว่งเห็นไม่สวยไม่งามน้างกายไี่สวยไม่งามจิตก็สงบจากราคะ ถูกสร้างมา ก, กาดำนานาปรสาทสีแห้งออกแจง้งเต่าในความรู้สึกตัวรู้สึกตัวอยู่คือไม่ถูกสร้างในร่อฉลี่ยตอี้วันให้ความสมดุ่ า, า, างๆเฉลีเป็นการทำน า, านเฉลี่ยมีสองเฉลี่เฉลี่ยจะเรีย น, น, นชื่อตัณหาเฉลี่ยเป็นือที่เฉตัณาเฉลนเป็นเฉลี่ยที่บอกคือคนที่มีตมัณหาเฉลยคือรับรักสูตรักสบายรับสวยรักงาม อย่างพวกเราบางคนมันยังอยู่หน้ากระจกนานมากสอนแล้วสอนอีกนะเดี๋ยวได้โอกาสคนเรือๆแล้วก็พักตลับแป้งออกมาสอนกระจอีกเ่พวกรัสูรรับสบายรับสวยรับงามกรรมฐาที่เอมาะกับคนนี้คือการดูหนเพราะร่างกายมันสอนให้เห็นเลยไม่สูตรไม่สบายไม่สวยไม่งามจรงที่ใชีอย่างสำหรับคนเมือคนชากิ วันๆทำงานเพืยอวามคิดสลอดเวลาคิดเก่งไม่วัาพวกคิดเี่ยเฉล่เจ้าความคิดเจ้าความเหนกรฐานที่เหมาะกับพเจ้าความคิดเจ้าความเห็นคือการดูจิตดูจิตดูใจของเอง้าแม่งจิตใจเราจะสอบได้เห็นมีแต่ของบกพรับไม่ได้นะจิตใจเราจะสั่งคือสั่งให้ดีมันก็ไม่ดีเลยห้ามชั่วมันปนสุชั่วสั่ให้สดมันต้องให้สห้ามมันฟุกมันก็จะฟุ้ อย่มันใจนะถ้าเราไปรู้ไปดูจิตใจขงเราเป็นสิ่งมันบังคับไม่ได้ห้ามเป็นใจพวบคุมไม่ได้น่าจะเป็นบังคับใจของคนอื่นได้ทำไมใจของเราเรายัาบังคับไม่ได้ความใจความคิดและความเก่งเลยจะค่อยๆลดลงรู้เลยว่าถ้าเรายึดติดในความคิดความก่งของตัวเองยิ่งยึดมากก็ยิ่งทูกขมากแจจะค่อยๆเป็นกรฐานที่ต่างที่ใส่พวบคิดมากให้หลวงปูดูด้์ไสอนหลงพสอหลวงพ่เป็นเล ทำงานถ้าทำงานใช้ความคิดมันไม่ได้ทำรายไถนาเลยรับเงินรับราชตราทำงานแล้วใช้ดูจิตดูใจเองเป็นกรรมฐานที่เหมาะตอนเราทำดูจิตดูใจตอนเราค่อยๆเข้าใจกันก็มาหาดูจิตดูใจนะถ้าดูจิตเป็นนะเราจะมีสีนะถ้าดูจิตเป็นเราจะมีสมาธิถ้าดูจิตเป็นเจะได้ปัญญาแล้วถ้าดูจิตนะจะได้สีได้สมาธิได้ปัญญา ถ้าศีลสมาธิปัญญาของเราครบถ้วนบริบูรณ์วิบุต์ก็จะเกิดขึ้นความมรรคจะเกิดขึ้นเป็นลาดับลาดับไปั้งแต่เสีสวดาษปิมาขึ้นไปขจ้าเจ้รหัตมรักเรืหากาเรียนมะอูจิตอรจิตนะให้สมกับที่เรามาฟังเทศน์ธรรมของหลวูเบางจะตั้งสายาท่านนว่าเป็นอะไรนะเทพเจ้าแห่งการดูจิตหรือปรมาจาแห่งการดูจิตท่านไม่ใช่เทเจ้านน เทพเจชาพรายคท่านภาวนาหรือท่านนาดนั้นเราภาจิตตจกัเองโดยในแค่ผิศีลคนทาผิดศีลท่าได้เพราอะไรเรานี้ไหมถ้าลเป็นคาหลังจิตคนจะฆ่าเขาดีเขาทำรายเขาสดาเขาเโสั่งเป็นาหลังจิตคนจะตื่นผิดศีลิดธรรมจะต้โวยเขารักเขาเป็นชู้กับเขา ก็ร่างกางก็ความจิตจริงแล้วเมายาขาดสตินี้โมหะจะครอบันให้คนเราทำจิติจได้ก็กิเลสเป็นครอบงำจิตแต่ถ้าเมื่อไหร่พวกเรารู้อันกิเลสอะไรเกิดขึ้นที่จิตคอรู้ทันกิเลสอะไรเกิดที่จิตคอรู้ทานรู้บ่อยๆไม่ต้องไปห้ามเแล้วจิตเป็นอนัตตาขานไม่ได้กิเลสก็เป็นอนัตตาขาดไม่ให้เกิดไม่ได้ มมีใครห้ามกิเลสไม่ให้เกิดนะห้ามไม่ได้หรอกไม่มีใครสังจิตออกจากกิเลสตัดไม่ได้ทั้งจิตังกิเลสั้อตอยู่ใต้สภาวะที่เรียกว่าอนัตตมีลักษณะเดีกันคือไม่อยู่ในอำนาจบังคับของใครเราจะทำอย่างไรดีต่อไนี้นะถ้ากิเลสอะไรเกิดขึ้ที่จิตที่แจงของเราเรา่อรู้ทันเป็นบอยก็เราู้จับตรหแทงเองตัวนั่งดูซิเห็ไหม กพขี้ขวเดเยอะขี้เหร่อันนีาหน้าตาไม่เกิดแล้วแต่เรื่อพวกไม่อมรับแต่ราต่อของก่อนก็รคพวกเรารู้จักโลกเรารู้จักแต่โรคอยากได้โรอยากได้ที่ห้ออยากได้โทรศัพท์มือถือมั้ยมีหมอยาได้อยากได้รศัพอยากได้เือาได้รถยนต์อยากได้บ้านอยากได้เงียบ มีแล้วก็อยากได้อีกนะควาอยากไม่มีที่สิ้นสุดหร อ, <ม>อาากพระเจ้าบอกนัตติปัญหาสมาร ถ, ารถปิดพ้นน้ำส่วนนั้นปัาไม่ทิ้ถ้าความอยากมันเกิดขึ้นเรารู้ผันะคนความอยากอย่างรอบรอมใจอยากมากมากหรือเาป็นไม่ได้มาเนะี่ยหาทางจะได้กิจสิทธิ์กิจธรรมมัก็ทำได้ถ้าเรารูนะ้ความใจเรานะความอยากอะไรเกิดขึ้นที่แจรู้ทัน เราโกรธเกิดที่พี่ใหญรันะา อ, อย่างเราต้องรู้จักเราโกรธเราตรู้จักให้รู้จักพุ่งพลาดนะให้เคยพนะุ่านครับก็มันเยอะเลยดีนะที่มองอเหว่าแค่ภาวนาให้ดีต้องซื่อตรต้องซื่อตรงกับตัวเองนะจิตใจของเรามีกีเ่เดาต้องรู้ท่าเราดกี่เด็ถ้าเราอยากพรวานให้ดีดนจะมาแปลกไปไม่ใช่ดีอยู่แล้วไม่มีจริงหรอกช่ดีจริงต้องไม่ทุก ถ้ยายังต้องอยู่สแสดงว่ายังไม่อยจริงเงื่นกิเลสแต่ละอย่างแต่ละอย่างพวกเรารู้จักอยู่แล้วราคาพวกเราก็รู้จักโทสะพวกเร า, ร ก, ก, า, ารก็รู้จักทุกข์ร้าเราก็รู้จักกดปูรู้จักไม้กดปูกรู้จักอีกอฉนันไม่กินชาเป็นไหมไมกินชากลัวเป็นไหมกัวเป็นไหมันเป็ น, นังวหลายทีไหมแต่ละคนรู้สึกไหมอยากทำาังค์หลวง พ, าาพา่อกากพนไม่กังวไม่ามัน ประมาณทางแล้วกบวนควรจะกลับบนน้บบนานชา้าปันหาเรื่องกบวนนี่ตลอดเลยนะกิเลสทุกชนิดนะต้องเรารู้จักอยู่แล้วไม่ยากหรอที่เราจะรู้พราคุณ ด, ดูถึงบอกว่าการปฏิบัติไม่ยากยากเฉ พ, พาะผู้นั้นปฏิบัติกิเลส น, นั้นเรารู้จักราคาโทสะโมหะพุ่งสร้างโศดูดีแต่เีษแต่เราเรารู้จักกมดแต่เราระไรเลยที่จะรู้เราเป็นนิสนัยไม่ไ า, า้เลย กิเลสอะไรเกิดที่จิตเราไปรูทันกิเลสอะไรเกิดที่จิตไปรูทนจะไปห้ามมันเมื่อไรกิเลสเกิดแล้วเราไม่รู้ทันจิตจะตกเป็นส่ความสุดตรงแ็นขั้นตามใจกิเลสตามใจกิเลสนความสุโตงเป็นขั้ตามใจกิเลสคือแล้วราอันที่ตามมาสู่ขันิการยโยชนจะพุ่งไปในตามนะพุ่งไป็นรูปพุ่งไปในเสียงพุ่งไปในกลิ่นพุ่งไปในรพุ่งไปในสัมผัสพุ่งไปชอบใจพุ่งไปไม่ชอบใจ การปฏิภาก็เกิดตาข้าวสั์เกิดต้นทิพจิตหีใปพโ่งไปนี่นรื่องไปห้ามนะถจิตพุ่งชาดออกจารู้ถ้าจิตพุ่งไปหนีไปเนี่ยเ่องทหย่อนเกินไปถ้าเรากลัวว่าจิตจะพุ่งแล้วเราจ้อเอาไว้ไม่ให้ตาสายตาเีย่ว่าตื่นเกินไปถ้าเราจ้องเท่าไหร่นะมันจะมีหนขึ้นที่ใจให้เต็มภาวนาแล้วรู้สึกจถามกล้าฟินหม แน่นอนแลยตอนคนเห็นห้าก็ร <última> <Todos weigh S 2> ู้นะยังไม่หายหน้าเลยหน้าก็สลานอย่างนี้เรียกนอำแค่มวิจัยเสร็จเราเข้าไปอยู่ตัวจิตจะหลบไปกตัวจิตจะหนีไปกลัวีเนจะเกิดกลัวกัวทั้งหลายเนี่โทรศาทัทางหน้าเลยนะเรากลัวมากๆเพที่เราจะเปคอยจ้องดูไม่ให้ค่าสายตาการดูจิตมันไม่ใช่ดูไม่ให้ค่าสายตาเราให้ตาหูจมูกลิ้นใจใจทางานไปตามธรรมชาติตามงงเองรูป กินระบัดไหวยินดีกินร้ายความรู้ทันเหตุนี้ถึงจะได้ไม่ใช่เป็นเพ่งจิตเป็นงนิ่งถ้ามมีความรู้สึกถ้ามีความรู้สึกเนี้ยตื่นเกิอนไปถ้าความรู้สึกเกิดแล้วยังไม่รู้ไม่ว่าหย่อเตือนไปแต่อย่าให้จิตของเราสุดมตกไปสองฝั่งถ้าตื่นเกิอนไปข้าหย่อนเตือนไปรับควรู้ทันกิเลสอะไรเกิดที่จิตไปรู้กิเลสอะไรเกิดที่จิตไปรู้อย่าไปรอดูว่าเมื่อไหร่กิเลสจะเกิดถ้ารอดูจะตื่นเกิอนไป ถ้าดูแล้วก็อยากให้กิเลสหายไปจ้องอยากทําลายกิเลสอันนี้ก็เกินเกินไปถ้าเหลือไม่รู้ทันกิเลสที่เกิดขึ้นมันนี้ย่อนเกินไปเราอยากให้จิตเราสุดโต่ไปสองฝั่มเลยคาับแค่ว่ากิเลสเกิดแ ร, รู้กิเลสเกิดแ้วรู้ก็แท่นี่พอละถ้าเรากิเลสเกิดแล้วเรารู้ผ่านในกิเลสจะครอบงำจิขึ้น ไ, ได้ถ้ากิเลสเครอบงำจิขึ้นได้จิตอาจจะยอมนั่งเกิดขึ้น คนที่เรียกนกรรมศาสตร์จากหลวพ่อนะนะับจำนวนไม่เพื่อเราทีเดียวทีแสกคนไม่รู้นะมีเพื่โลกเลยหลายคนอะไรงานนะจนวนมากนับไม่ถูกเหมือนกันบอกว่าแต่ก่อนคือสียากเดีย๋ยวนี้คือสีง่ายถ้าใดจะปล่อนให้เรารักสาสีที่ปากที่มือที่เทาพพ้าไปควบคุมเองไปบังคับเองไม่ให้ทำผีดสีอย่างต่ลงว่าคงไม่ถูกปากแน่นแน่นไม่ต่าง อยากปล่ อ, อยนะเก็บมือให้ไม่ปล่อยเขาใจมันอึดหักนะถ้ามหาธรรนามหาดูจิตดูแจตัวเองกิเลสเกิดมาเราต้องหันนกิเลสจะดับไปเองอันตีที่สติเกิดกิเลสจะดับนีเป็นกฎของธรรมะนะกของธรรมชาติธรรมนาเลยเมื่อไรมีกิเลสเมื่อนั้นไม่มีสติเม่อไรมีสติเมื่อนั้นจะไม่มีกิเลสเพราะฉะนั้ท่านกิเลสเกิดเพื่อเราดูหันเพืสติเกิดกิเลสมันจะดับไปเอง กิเดสตับเนี่ยหนึ่งมเจฉาณารักษาสีขีต้องีดสีนจอัตโนมัติเกิดขึ้นสีในการภาวนาอยากได้มากได้ผลจริงๆต้องถืงท่าชีนอัตโนมัติเพราะม่ลาที่อริยมรรคเกิดชีนอัตโนมัตะสติว่าอัตโนมัติสมาธิกว่าอัตโนมัติตัญญาคว้าอัตโนมัติประชุมลงที่จิตที่จยวเองแล้วถ้าเราอยากเจอสีที่มือที่เท้าที่ปากอยู่ อย่าไปตอกผูไปนรครับใจมนชี้ทกที่กลับต้องกับแท้ขาสติเมื่อไหร่ก็ปากก็ว่าเขาไปเรียบร้อยแล้วแต่ถ้าเรามีสติอ้อมไวกิเลสอะไรเกิดที่จิดรู้ทันกิเลสอะไรเกิดที่จิตรู้ทันมันจะไม่ว่าใครไม่จ่าใครไม่ตีใครไม่นะไมขโมยของใครไม่ไปชู้แบบไงไม่อยากา ก, ากินร่างของยากินอะไรไม่ขาดสติธรรมดาก็ไม่มีสติอยู่แล้วจินหนักกิหนหลักว่าเต่อีสติยิ่งหายยา ก, า ก, ากยากู่ เนี่ยหาตัวจิตนะอันจิตเพื่อต่อนไ ป, ไปไร เ, น เ, นเราจะได้สีอนุทันกิเลสที่เกิดพึ้นจิตเราจะได้สีอัวจิตต่อไปอีกทายัางไงจิตยังไจงไจะเกิดสมาธิตัวจิตจะเกิดสมาธิได้ทัางประโนข้อตอนานนะและมาส่งการบ้านอไงานการปฏิบัติสางปู่บอกท่านว่าตอน า, านาอยูจิตเลยบอกท่านว่าตอนานไปแล้จิตมเพิ่มเพิ่มไปนิดหนึ่ ทอกจิตเป็นข้าสมาธิตอนนั้นเลยตอนนายโม่ที่เขียนท่านนบอกผมไม่ได้ข้าสมาธินะไม่ได้นั่นัไม่ได้นั่งสมาธิในขนาดนั้ น, ม น, น, น, นไม่ได้รู้พุทโธก็บุ ห, หาใจหนือ จ, จิตอยู่เฉเฉยทำไมหลวงปู่ว่าจิตเข้าสมาธิแล้หลวงปู่บอกว่าถ้าดูจิตสมาธิอาตจะหลมันมันจะเกิดขึ้นถ้าดูเป็นนะจะเกิดสมาธิอัจจะหลอมละ สิ่งที่เรา้ลาดแต่สมาธิคือความทุ้งทั้งสั้น่หความทุ้งทั้งทุ้งไปในก่าวก็ได้ทุงไปในสิ่งที่ไม่พอใจก็ได้ทุ้งไปลังเลสงสัยก็ได้ทุ้งสเปสตาทุงไม่รู้ว่าทุ้งอะไรก็วนี้แต่ะพัฒนาทุงทุ้งไปแล้วคนปูชุ่มช้นเชื่องเชื่องดูอะไรไม่ออกเลยก็มีจิดไม่ตั้งมั่นเป็นความตั้งว่างกับความทุ้งทั้งของจิตยังท่งทางแต่สมาธิคือความตั้งมั่นของจิต ถ้าเมื่อไรเรามีสติรู้ทันจิตที่ฟุ้สร้านแล้วจิตฟุ้สร้างเวลาจิตฟุ้สร้างเป็นยังไงจิตจะลงไปจิตจะไหลไปเราคุณนรู้เรื่องว่าจิตออกนอกจิตสอบนอกจิตสอบเนอกส่งทางไหนได้บ้างส่งทางตาส่งทางหูส่งทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจสอบไปรับอารมณ์ไปนอกนะส่งไปทางตาก็ส่งเป็นดูที่ตูดดูแต่เก็บแม่ตูดจิตไหนก็ดูดคนอื่นทุกทีเรืงสิ่งอื่นทุกทไม่ดูตัวเองหรอก ส, ส attract, ่งไปฟัง <ne> ต <otic> ้องฟังคนอื่นพูดใช่ไหมฟังเองพูดเราไม่ไ็่ฟังนั้นอย่อยากฟังหรอกอยากให้คนอื่นฟังเรานะเราไม่ฟังตัวเองส่งไปจดจีบส่งไปคิดตัวส่งไปรู้สัมผัสที่ตายที่ออกนอกที่ไหอ่ไปทางตาหูจมูกลิ้นกายส่งไปคิดเป็นเรื่องเป็นตัวเป็นแต่ไม่ส่งไปทางใจไปเก็บในพวกเราส่งทางใจกินข้าวบ้านเดี๋ยวกาคิดแปงดีเดี๋ยวกาคิดแฝงหนักคนนะเดี๋ยวกาพูดเป็นู่นเดี๋ยวกาพูดไปนี่เราดึงปัจจุบัน จิตเราไม่ตั้งมั่นอยู่ดจั๊บจิตแก่เนี้อะไรไ่รจิตไม่มีสมาธิถ้าเราอยากให้จิตมีสมาธิทำยังไงคอยรู้ทันจิตที่คูนตร้งคอยรู้ทจิตที่สออกไปสออกไปทางตาส่งไปทางหูทางจมูกทางนิ้ทางายทางใจส่งทางใจส่งเป็คิดเป็นยอยรู้ทเวลาที่จิตไหลไปทางตารู้ทันจิตไหลไปทางหูรู้ทัไม่ยากหรอกที่จะรู้นะ ไอเก็เนี่ยเวลาที่เรามองอะไรสักอย่างคิตเราจะไปอยู่กับงที่เรามองอยู่กับสิ่ที่เรามองเวลาเดินเดินอยู่นะเห็สาวสวยเดินมาเราไปดูสาวสวยจิดเราจะอยู่ที่สาวรู้ไหจิตไม่อยู่กับเดินกระตกนะจิ่อยู่กับเดินกระตุกไเก่งๆมีแต่ถุงถหนาหน้าใบึงเดินมารู้สึกนะในจิตมัชอบออกเราไหลออกไปตลอดเราไปมีสตินะไปมีสติ เนีเราไปรู้ทันเวลาจิตแฉลบซ้ายแฉลบวาแฉลบไป้าตาแฉลบไปทางหูเวลาได้ยินคนเขาคุยกันเราอยากรู้ถ้าต้องพูดต่างต่างเราต้ อ, อ็นะ อ, อยากฟัง่นะถ้าต้อพูดชี้ๆๆๆอยากฟังใช่ไมอยากฟังเวลาตั้งใจฟังตึกที่พกสอดหัเมียตั้งป้ า, า, เาเยเขาซุบซิบอะไรกันวะป้าจะมีทีเด็ดอะไรที่ป้นนาขณะที่ตั้งใจฟังเราลืมกายลืมใจตัวเองได้หรอมั้ย คิดไปอย่โลกออกนอกไปขณะที่เราดูเราก็ลืมกายลืมใจคิดไปออกนอกไปขณะที่คิดนันคิดนี่เราก็ลืมกายลืมใจสังเกตได้ในขณะที่เรานัางคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เรามีร่างกายเราก็ลืมร่างกายเรามีคิตใจเราก็ดูมิตใจเั้นเมื่อไห่คิดหลงไปอยู่ในโลกของความคิดคิดหลงไปดูหลงไปฟังหลงไปลงกลิ่นหลงเป็รู้รสนะหลงไปรู้สัมผัสทางกายเย็นร้อนตอดแข็งถ้าจิตไหลไปหลงไปเรามีกายเราก็ลืม มีใจแต่ก็ลืมแจิตมันไม่อยู่กับเนื้อกตัวสมาที่แล้วก็พูดภาษาไทยชาวบ้านชบ้านนะต้องพูดจิตมันอยู่กับเนื้อกับตัวนะครับจิตขเรามันลืมเนื้อลืมตัวตลอดไหลไปหลอกนอกเปตลอดไหลไปดูไหลไปฟังไหลไปจมกลิงนไหลไปลิ้มรสไหลไปรู้สัมผัสทางายไหลคิดนึกอะไรอดีตนะครับคนในวายทั้งหมดเลยมันลืมเนื้อลืมตัวลืมกายลืมใจของตัวเองจิตใจที่อยู่กับเนื้อกับตัวต้งไม่มีสมาพิดนะแล้วจิตที่มีสมาพีดจิอยู่กับเนื้อกับตัว เราไปฝึกดูจิตยังไงที่จะให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวให้คอยรู้ทันเวลาจิตมันไหลไปคอยรู้ทันเวลาจิตมันลงไปจิตยิ่งไปดูรู้ทันแล้วจิตยิ่งไปดูจิตยิ่งไปฟังรู้ทันแลื่จิตยิ่งไปฟังจิตยิ่งไปคิดรู้ทันเมื่อจิตยิ่งไปคิดเรื่อง้นๆแค่สามช่องทางนี้ก่อนสามช่องทางที่เกิดข่อยระหว่างดูระหว่างฟังระหว่างคิดจิตเราดูทํางานอะไรมากกว่ากันไม่อลับไหม ไหนใครว่าดูมากที่สุดกเปิดใยู่ไหมใครว่าตาเห็นดูก็รมีต่างๆก็มีใครว่าคิ ด, คดโอคิดชนะนแล้วเราเป็นประชาธิปไตยคิดถงแตสินี้ไม่ใช่ประชาธิปไตที่ธม า, า, าที่เป็นไตนะต่ร ม, ม า, จ, าจริงๆแล้วเนี่ยจิตดลงไปอยู่ในโลกของการคิดมีเยอที่สุดแล้วั่นมาหลงได้หกช่องทางถ้าเราเห็นทั้งหกช่องทางยากนะที่มีช่องเดียวเป็นช่องใจี่เ จิตลงทางใจรู้พนรู้ผ่าิตลงไปคิดกัผ่นจิดลงไปคิดกัรู้ผ่านทั้งเราจะรู้ผันได้ดีรู้ผันได้ง่ายรู้ผัานได้เร็วเราต้องมีเส้อยู่ให้จิตอยู่จะอยู่บัาพุทโธก็ได้อยู่ก่บลไหายใจก็ได้ใครถนัดอะไรเอาอันนั้นแหละใครถนัดพุทโธก็อยู่กับพุทโธใครถนัดรู้ลมหายใจก็รู้ลมหายใจใครจะนั่งล้าข้าศัตรมารหันจะดูท้องของโยมจะเยีบมืออย่างลงพัดเทียนเหมือนกันหมดอ่ะก็มาถานอะไรก็ได้ แต่ว่าให้คอยรู้ทันจิตไปเช่นพุทโธจิตนี้ไปคิดคอยรู้ทันแม้ใจไปจิตนี้ไปคิดคอยรู้ทันลงท้องมองยกแต่จิตนี้ไปคิดคอยรู้ทันะสามามหาว่าจิตนี้ไปคิดคอรู้ทันถ้าเราคอยรูพทันจิตที่ไหลไปจิตที่ไหลไปเราคอยรู้ไวหมดไหลปั๊บรู้ป้าบไหลปั๊บรู้ปั๊บจิตจะไม่ไหลเมื่อจิตไม่ไหลจิตจะตั้งขึ้นมาจิตตั้งมึ้นมาในเมื่อว่าจิตมันมีสมารถิจิตจะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้บิกบาน จิตใจอยู่กับเดื้อกับตัวแล้วร่างตอนนี้ร่างกายเคลื่อนไหวันจะรู้สึกอัตโนมากเลยจิตใจเคลื่อนไหก็จะรู้สึกโดยอัตโนมักิไม่ยืมเนื้อหรือตัวจะเหลือซ้ายแม็ขวาที่รู้สึกตัวได้ตลอดก็ที่เรียนจิตวนทยาโรมพ่ออนนี้มันเยอะมากแต่ความตื่นตามหลับนนคลิกซ้ายคลิกขวาอย่างรู้สอนที่รู้สึกได้ขนาดเป็นเรื่องง่เลยพวกเรามีใจรู้สึกได้แล้วตอนนี้มีไหมมีมากต่าง นอนหลับอยู่นะคิดฝันคิดฝานรู้สึกมีจิตไม่รู้ได้ไม่ยอมรู้ถ้าใจเรินมมีสติแกะกล้าขึ้นมนาะแกานนะตังงตตต้งนั่งนขะึ้นมาตื่นไปเรืตอนตื่นนี่แหละขนาดหลับนะจิตขยับคลิ๊กๆตืนะ่นมาจิตันตืนะ่นนัา่งกายยางหลับอยู่ถ้าตืต่นได้ขนาดนี่ไนะม่ต้องกลัวตนะ่อไปแล้วน เวลาเราจะตายแล้วนิมิตไม่ดีเกิดขึ้นส่ตีนอาจจามัจะตํางหามันคล้คายๆเร า, ลาหลับนอนลับต่ารายใครเคยนอนหลับตัดได้แล้วสตีเราลึกได้บ้างียกเลยสิเราคงจะเสี่ยงนกนกน้อยหน่อยนัแใ่ย่ง้นไม่ร้อยเเ็นนะอยมีโอกาลาแต่ว่าพอลิมิตไม่ดีเกิดขึ้นเห็นกนระชากทองแดงคิดเกิดตกใจสตีเราลืมต้องเกิดตกใจนะกระชาทองแดงหายอยู่ ใจเป็นผู้รู้ผู้ตื่นใจเป็นผู้ส่งขึ้นมาไม่ตกนรกนะเราไปไปรู้ทันจิตที่ไหลไปจิตที่หลงไปหาเครื่องมือมความเป็นเครนสังเกตจิตจะอยู่กับพุโทโธอยู่กับลมหนใจอยู่กับทความรู้อะไรก็ได้แต่ว่าไม่ว่าอยู่กับอะไรก็ควรดูผ่านจิตไปถ้าเราภาวนาแล้วเราทิ้งจิตแล้วเราทิ้แก่นสารสาระของการปฏิบัติไม่ใช่พาะหลวงผู้ดูนะที่เล่นมาที่จิต ุบราณอาจารย์เข้าไปเรียนด้วยหลายองค์ถ้าลงมาที่จิตเหมยอยือนกันลงบุญเทศสอนเนี่การภาวนาเนี่ยถ้าไม่เข้าจุดจิตจุดใจเนี่ไม่ได้สาระแก่สารของการปฏิบัติถ้าพูดถึงขณะนี้นะมาดูในธรรมะที่พระุเจ้าสอนถ้าองจิตเป็นใหญ่ใช่ไมใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าใจเป็นประการทำทั้งหลายสำเร็จด้วยใจทำจะเป็นผูษณอาภูษหรือ่ า, ากดิพาสเร็จด้วยใจด้วยจิตด้วยใจองเราเองงั้นเราจะอยากอยากตื่น สมาธินะง่ายๆแต่เริ่มเราตุ่นด้วยการบังคับพุทโธพุทโธพุทโธพุทรธบังคับไม่ให้จิตีคิดมันเกเครียดเครียดแล้วจิตจะไม่สงบแต่ถ้าพโธพุแบบสบายนะจิตนีมีคิดรู้ทั น, นนะจิตจะสงบเมื่อะไรจิตมีความสงบจิตจะสงบเมื่อไรจิตไม่มีความสงบจิตจะคงท่าเวลาไปรู้ันจิตเราไปสบายๆนะพโธไปจิตนีไปเรารู้รู้ไปสบาสบาย มันจะค่อยๆดีสั้นลงสั้นลงเคยมีไกลๆไหมคนๆของตัวลงมาแล้วรวมเข้าที่จิตอันเดียวแล้วเราหัดดูจิตดูใจไปนะสมาธิอันตรนั้นจะเกจะรวมลงมาที่จิตได้จิตจะตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ผลิตผู้ต้องกาไม่ใช่ผู้คิดเู้พึ่งผู้ดูผู้แต่หลงไปข้างพราะฉะนั้นเราเราดูจิตให้เป็นนะถ้าเรารู้ทันกี่เรียที่เกิดที่จิตเราจะได้คิดเรารู้จิตที่สอบนอกเราจะได้สมาธิ นี่ดูจิตอย่าให้เกิดตัญญานี้สาคัญนะเราควรเลือกเรียนกันเพืเทียนน้ำขาดแต่คำสอนของพระพุทธเจ้าดรสอ้นไปที่ว่าดูจิตหรือจิตไม่เพื่อดูจิตจิอย่าไปประคองจิตให้นิ่งให้ว่างเป็นประคองจิตให้นิ่งให้ว่างความคิดอะไรเกิดขึ้นปัดทิ้งีวอะไรเกิดขึ้นปัดทิ้งอะไรเกิดขึ้นปัดทิ้งหมดเลยจะาว่างอันนี้ไม่ใช่ดูจิตอันนี้เป็นการปลูแต่งจิตนนเป็นแต่งจิตให้ว่างนั้นไม่ใช่ดูจิตนะโกปรงได้สอนอย่าง แต่ว่ามีคำสอนสเล็กๆกันอย่างนี้เหมือนกันที่ว่าจิตไหลแต่เราดูไหลเราดูนั่นพะี่บอกว่าตัดทิ้งเป็นคำสอนที่ให้เกิดสมาธินะพงั้นอย่างบางคนหลวงปู่บอกว่าประองจิตให้นิ่งประคองจิตให้ว่างอะไรเกิดขึ้นตัดทิ้งไปเลยอันนี้ต้องแยกให้ออกนะว่าเป็นการสอนโดยจิตในระดับใดนั่นคือการสอนโดยจิตให้เกิดสมาธินะไม่ใช่การดูจิตที่เกิดปัญญาการดูจิตให้เกิดปัญญานลวงปู่เองก็เรียนมาจากหลวงป่มั หลวงู่มั้นสอนอะไรหลวงู่มั่นสอนบอกสัพเพสัพขาราสัพพสัญญานิจจ์สัพขากทั้งหลายสัญญาทั้งหลายไม่เที่ยงสัพเพสัพขาราสัพพสัญญานักตาสัพขากลทั้งหลายสัญญาทั้งหลายเป็นอนัตตาเราคับไม่ได้ท่านเรีนอะไรท่าเรียนเรองสัพขานะเรียนเรื่องความปรุงของจิตนะไม่ได้เป็นเพี้ยงใส่เกิดจิตไม่ได้เป็นห้ามปรับปรุงแต่งของจิตจิตปรุงแต่งก็ได้แต่รู้ทันท่านเมไรพยายามห้ามจิตไม่ให้ปรุงแต่งพยายามประกองจิตให้ดี อันนี้เขาเรียกว่าโลงา่างาของจิตเข้าไปแทรกแสรกจิตแลก็เปยดจิมาเรียนจาท่านครั้งแรกในโภคภูมิภาสองพันห้าร้ยี่สิบหา้วไปฝึกอสามเดือนช่วงที่สามมากราบท่านจิตจิตสามเดือนมารายงานท่านาว่าตอนนี้จิตเป็นผู้รู้แล้วนะจิตไหลก็ยางรเลี้ยไหลก็รู้แล้วเร า, ารักษาจิตไม่ได้ทั้งวันเลยประคอจิตเอาไม่ได้ท่านบอกเลย นึกว่านั่นจะชมนะว่าเออเก่งดูจิตเก่งจิตไม่หนีไปไหนแล้วนะจิตนิ่งๆว่างๆสยองอยู่ไม่ชมเลยนะนั่นมันพาเลยเหรออ้าวนั่นมันจหลงไปแทรกแทรอาการของจิตแล้วนั้นยังไม่ได้ดูจิตเลยนะคําว่าตดูนั้นเป็นท้อตัวเองอยู่แล้วดูคือดูดูไม่ใช่ประกอบดูไม่ใช่บระคับดูไม่ได้แปลว่าปกปูดูนั้นหมายความว่าอะไรดูหมายความว่าจิตมันเป็นอย่างไรรู้ก็เป็นอย่างนั้น จ society, glucose, land, notes, ium, ิตมันเป็นอะไรจิตมันก็เป็นเป็นตามสังญาที่มาปรุงจิตเป็นเปตามสัญญาที of, ่มาปรุงจิตอะไรสัาที่มาปรุงแต่งจิตเช่นราคะมัปรุงแต่งจิตขึ้นมาจิตนี้ก็มีราคะถ้าเราดูจิตเป็นตัวเองเลยจิตที่มีราคะเกิดขึ้นเราสั่งให้เกิดหรือเปล่าเราไม่ได้สั่งมันเกิดเองแล้วเราขับมันไม่ได้ห้ามมันไม่ให้เกิดได้ไหมห้ามมันกไม่ได้จิตจะมีราคะเห็นอะไรเห็นความไ่เที่ยง แต่เดิมไม่มีราคาก่อนที่มีราคาเราเริ่มเห็นว่าจิตไม่เที่ยงนะดูผ่านความดูแต่นั่นเองไม่ใช่ดูตัวจิตตรงๆนะหลวปู่จดจาเลยว่าใช้จิตแสวงหาจิตอีกกลับหนึ่งไม่เจออยาดูตัวจิตตรงๆหลวงพ่อเคยพจริงจิตสาหัสาอรแบบนี้จิตเราเนี่ยแทนที่จะสร้งมันเป็นผู้ดูผู้ดูยจิตเป็นไหลเป็นไหก็เป็นวานอารมภายในนะถ้าไป่เลื่อเื่อก็แบกเขาไปเป็นจับเอามผู้ดู้เ ถ้าให้ดูจิตจิตเป็นตัวรู้มันกับการจ้องตัวผู้รู้มันเป็น่าสายตาเลยกลายเป็นเพ่งตัวผู้รู้แต่ทีที่เราเพ่งตัวผู้รู้แล้วตัวผู้รู้จะกลายเป็นตัวถูกรู้เกิดตัวผู้รู้ซ้อนที่ได้แล้วเราไปดูตัวผู้รู้ที่ซ้อนถ้าเปิดตัวผู้รู้ซ้อนๆๆไปไม่มีที่ชิดสุดงั้นการเพ่งจิตไม่ถูกนะให้ดูความเคลื่อนไหวให้ดูความเลี่ยนแปลงของจิตจิตเป็นเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตามสัญญาตามสาระ การเป็นธนาที่มาปรูงเป็นธนามาปรุจิตได้นะสัญญาณมาตรงจิตได้สัญญากมาปรงจิตได้แล้วเราคอรู้ทันสิ่งที่ปรุแต่จิตเกขึ้นเราจะรู้ทันรู้เฉรู้แล้วเราจะเกิดปัญญาเห็นไตรักการเดินปัญญาต้องเห็นไตรักถ้าไม่เห็นไตรักษณ์ไม่ได้บริปัสสนาเน้นตัวอย่าเราหาดูจิตือใจเราเห็นอะไรจิตเมื่ี้ไม่โกรธตอนอีกโุดแสดงอะไรเมื่อกี้ไม่มีตอนนี้มี ความไม่เที่ยงเดี๋ยวนี้โตรนะดูไปเรื่อยๆหายโตรอกแล้วเขาเคยมีแล้วก็หายไปอันนี้ก็ไม่เที่ยงของไม่เคยมีเกิดมีขึ้นมาของมีขึ้นมาแล้วหายไปนี่แหละถึงความไม่เที่ยงแล้วเต้ารู้ลงไปได้่อยจิตมีแต่ความไม่เที่ยงหรือเห็นแต่ความทุกนะจิตที่มันมีความติดพัดอยู่ในภาวะแปรปรวนตลอดไปไม่ได้จิตสุขก็อยู่สุขลาวนะทนอยู่ไม่ได้หรอกมันติดขัด จิตทุกคนก็ทนอยู่ได้นะไม่ต้องไปทาอะไรความทุกข์ก็หายได้เองมีใครเคยทุกข์นานๆก็อยู่นะเอ็งเจนั้นถ้าทุกข์นั้นมันไม่ได้ทาอะไรก็หายได้นะดี๋ยวอกหักนะคิดว่ามันจะไม่หายเพราะว่มึงจะเศร้าใจทั้งชาติเกิดเสียงเศ้าๆา่างๆเศร้าห่ักๆประเขายู่งดีไม่เป็นรากกันจริงๆไม่ต้องทาอะไรรู้ไปเรื่อนะว่ามันจะหายแล้วมีดอกอกหักนี่ร่อนนะมันเป็นนิจายน้าเล่าเรา๋ยวมันยุ่งจิตจิตธรรมชาติจิตธรรมดาจิตเกียรติธรรมะนะ ไม่มีอะไรที่ปกติสาววอยู่ได้เลยทุกอย่างเกิดขึ้นมาล้มสลายหมดเลยไม่นอยู่ไม่ได้นี่เรียกว่าทุกข์ังแล้วเราะเห็นจิตจิตไม่เป็นของขังไม่ได้สั่งให้ดีก็ไม่ได้ห้ามชั่วก็ไม่ได้นะสั่งให้สุขก็ไม่ได้ห้ามทุกข์ก็ไม่ได้การที่เราควบคุมมันไม่ได้บังคับมันไม่ได้นี่ียกว่านั่ตากนี่อือการที่เราคอยรู้ทันความเปลี่ยนไปเปลี่ยนใจของจิตรู้ทันความเปลี่ยนใจของจิตไม่แหละเรีว่าดูจิตจะเป็นการดูจิตเป็นขั้น กาปฏิบะนะัตินะนี่มีการ ด, ดูจิตดนนูการในขั้นที่เกิดอริยมรรคเป็นอีกแบบหนึ่งคนละแบบเลยคนละเรื่องเลยแต่ว่าอาศัยการที่คอยรู้ทานควาเป็นใจนรับการวิจารณ์ทุกธรรมะราคาของจิตของใจเราไปด้วยเองถึงจุดหนึ่งเน่ยสติสมาธิปัญญานพอจิตะรวมเวลาที่อริยมรรคเป็นเกิดจิตะลวงก็อัญหาสมาธิโดยา่านเกิดลงมาถึงชาตินี้ยังไม่เคยนั่งสมาธิเข้าฌาไนได้เลยจะเจริญสติรูป ความจริงของจิตใจไปเรื่อถึงจุดหนึ่งจิตจะหลงเองไม่สั่ให้ลหลมันหลงนะจงใจให้หลงแล้วก็จะหลมทั้งทง ท, งที่พอกเรทาทางานคิดตลังคิดตลอดนะถึงเวลาจิตรลงก็หลงออกมาเองเลยแต่หลมแล้วบางคนนะมันกำลังไม่พอสติสมาธิปัญญาไม่พอรวมลงไปอยู่พักช่วงเปลาก็ดีขึ้นมาใหม่พุ่งสร้างดงแต่งต่อไปวันไหนสติสมาธิปัญญาพอนล้วปรนชุมหลงที่จิตเดียวสติ ระลึกลงที่จิตโดยไม่เจตนาระลึกสมาธิตั้งมั่นจิตตั้งมั่นไม่ลงไม่ไหลไปที่อื่นโดยไม่เจตนาให้ตั้งมั่นตั้งของมันเองนะมันไม่ไหลแล้วก็ไม่คิดไม่ไรู้แต่ไรสัญญาอยากรู้ลงไปเป็นความเกิดดับภายในแต่ไม่รู้ว่าอะไรเกิดดับพรา็ไม่มีความคิดไม่มีสัญญาด้วยจะเห็นแต่ว่าสิ่งบางสิ่งเกิดแล้วก็ดับสิ่งบางสิ่เกิดแล้วก็ดับเนี่ยสติสมาธิสัญญาเนรวมลงที่จิตมันเยอะเลย แล้มอริยมรรคก็จเกิดขึ้นตัวแล้วอริยมรัคจะไม่เกิดปในขณะที่จิตของเราอยู่อย่างขณะนี้จิตอย่างพวกเราสอนนี้เรียกว่ากลางอวัจรสิทธิ์จิตที่อยู่ในการตั้งใจฟังหลงพ่อรู้สึกไมเดี๋ยวต้มองหน้าหลวงพ่อตาแอบก็เลยนะคิดออกนอกไหมอริยมรรคจะเกิดได้แค่คิดออกนอกตั้งใจฟังนะจิตก็ไม่รู้เรื่องที่ฟังตั้งใจฟังแล้วก็คิดไม่ได้ฟังอย่างเดียวแต่ฟังไปคิดไป ไปสังเกตเปลี่ยนร่างว่าเราไม่ได้ฟังอย่างเดียวแต่ฟังไปคิดไปรู้สึกไหมฟังไปแต่ว่าอะไรแล้วคิดอะไรฟังแล้วก็คิดอะไรคิ ด, คดสําับกันตลอดเวลานะเมเวลาเราอ่านภานาเอ่าดูจิต ด, ดูใจที่จะให้เกิดตัณยานะดูความเปลี่ยนแปลงดูการเคลื่อนไปเปลี่ยนแต่ของคิดไป เ, เราจะเห็นเลยว่ามันความคับไม่ได้นะฟังไม่ได้ความคัมไม่ได้ถ้ามันพอจิตจะรวมจิตรวมแล้วสติสมาธิสัญญามันจะซ้อนลงไปที่จิตเดยว เราเป็นที่จิตเจือกันอะไรว่าเป็นเกิดขึ้นมันจะแบกอาสวะเกิดที่หอ้จริงแยกออกไปถัจากนั้นเป็นเกิดสภาวะหนึงสองสามขนมาแต่ละคนได้เหมือนกันอันหนึ่งจะว่างไปที่สองจะมีแสงสว่างพุ่ขึ้นอันที่สามจะมีความเบิลาๆพุดขึ้นมาหรือพุ่งขึ้นจเรียกว่าจี๋ๆตรงที่ต่างๆขึ้นมาและจิตจะแสดงตัวแสดงความมีอยู่ของมาโดยการยิ้มไม่หยุด ว่าจิตยังไม่มีรูปร่างไม่มีแสงสีไม่มีขอบเขตไม่มีลักษณะอะไรที่จะสังเกตได้เลยมันจะแสดงตัวขึ้นมาในขนาดนั้นด้วยการยิ้มแ้มแข็มใสขึ้นมาจิตกับจิตไม่ได้จิตกับหัวเราะได้นะแตลกนะถ้าใจรลวงปูบอกเออจิตจิ้มจิตจิ้มก็ใช้ได้ครับแต่บางทีก็ต so right so so ้องรอนะหลวงปู่ก็อ่านหนังสือที่ข้าราชารหลวงปู่เขียนผลวงปู่ผัดไว้แค่แค่อ่านหลงผู่ผัดไว้ครับ ไม่ทานแย่มากเลยขอแค่หน้าหดใช่ไหเเด็กคือคุณสมบัติทั้งเรืองเลยครรดาคนไปต่อกลุ่ว่าพุทโธหายพุทหายแตัเนี๋ยวตนั้นก็สนใจนบดูแลองผมต่านานไม่ดีพุทโธหายก็ดีเลยบางทีผู้โธหายก็ขาดตื่อปีเลยแค่พุทโธหายก็ภาวนาจิตดวงแต่ตอนจีภาษานะก็ไม่พิถุ เดี๋ยวหลวงปอนจิตปุจิ้ยอดกิเลสเราได้ยินประยชน์ในจิติตความเขียนได้มีกุศลก็หนึ่งเข้วไปกับหลวงปู่ก็สอนได้จิตจิตยังไงตุางนี้ก็ฝังไว้เราะจิตยิตได้แต่ก็ไปไหนมาหลวงปู่เจ้าค่ะในชั้นนล้นเห็นแล้นจิตปุจิ้งต่างหลวงปู่ถามจิตปุจิ้งยังไงจิตเจ้ายิ้มยังไงจิงยอดกิเลสครับหรือหรือจิตยอดกิเลสยังไงนะ เห็นใครก็มีกิเลสนั้นนิยมย่อตลอดเลยโเนียิกียิตเกี่ยวจิตเกยวแม่นเกีนอื่นะเกี่ย่อกเลก็อย่างีไม่ใช่นะภาษาเหมือนกันนะแต่ว่าเภาะว่นละเรื่องคนโลกนเไรงั้นก็เรามาหันนะไปเ่อยตรงที่อรมักเกิดเกินจิดเกี่ยิอย่างแก่มแจ้ง นั่นสติก็รู้ลองพิจิตต์สมาธิก็ตั้งอยู่พิจิตตปัญญารู้พรู้ว่าเป็นในจิตเป็นตัวกลุ่มใดอะไรซึ่งไม่รั้วอะไรเราไม่มีสมมติปัญญาจนถึงขั้นสุดท้ายทั้นสุดท้ายของการภาวนาจิตเห็นจิตแยมแยมแจ้งเป็นมั่งถ้าพูดที่เต่มยดน่ะจิตเห็นจิตแยมแยมแจ้งเป็นนารหัตมะจิตเห็นจิตแยมแยมแจ้งนนั้เห็นอะไรเห็นจิตเป็นไตรลักษณ์เห็นจิตเป็นไตรลักษณ์จิตนั่นแหละต่องอยู่ใต้ไตรลักษณ์ เมื่อไหร่เราเห็นจิตตกอยู่ใกล้เปล่าตาเกี่ยวกับแฉกจรด้วยปัญญาอย่างยิ่งที่เป็นจิตแย่แยแจ้งว่าเป็นแต่าตเพ้่อปัญญาอยยิ่งจริงจิตหานาตมาเกิดเกิดจิตจะสลัดคืนจิตให้ลงตอนโมคุดุใกล้เชกนรณภาพวันท่านกนรณภาพสามสิบหกวันผมวงพ่อกกลราบท่านอยู่กับท่านตั้งแต่บ่ายๆท่านก็สอนไปเลยครันเป็นข้ามจุดเรียนเห็นท่านเลยทั้งหอม ออกดีนะสงสารคูบาอาการมากเลยตัวน้องูผมจะปรับแล้วน้องกูใหเป็นิีนะผมจะปรับถ้าบอกจะปลับแล้วเหรอยังับไม่ได้จำไว้นะก็จิตให้ทาลายจิตก็ผู้รู้ให้ทาลายผู้รู้ก็จิตให้ทำลายจิตจึงจะถึงความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงนี่ท่านสอนอ่งพี้ผู้รู้ให้ทำลายผู้รู้ก็จิตให้ทาลายจิตจำนว้นะจำไว้าข้าพเจาจะจไว้เออก็ให้ปับกันได้ครับ กรปฟังแล้วนีน่เป็นยังไงบาพวกผู้รู้จำลายผู้รู้พวกคิดจำลายคิดไม่เข้าใจวันรู้ขึ้นนะเหมือนออกจากสุดินทรแม่โคราชปฏิบิตรออกจากลวมคุณดูนะหวพ่อจึงแสวงานลวงพ่อพุ้นพี่โรราตตตาสรบาเราเข้าพุทธเ็นหน้าให้เขาบอบต่าไงนะักปฏิบัติคทาว น, นี้หลวงปู่สอนอะไรนะรู้ว่าหลงพ่ประเห็นกหลวคุณดุลเราหปูนนป่สอนบอกว่า เพราผู mind lifting, mind lifting well, so ้รู้ให้ทหลายผู้รู้พ้องจิตให้ทหลายจิตจึงจะคือความบริสุทธิ์อย่างแค้จริงแล้วพอผู้ท่นจะบอกเลยที่แต้ส่วนยอดของคำคำถามท่าบอกเจ็ดวันก่อนหน้านี้่านมาหาหลวงปูดูลย์หน่อยกลวงปูก็บอกท่านบอกว่าเจ้าคุญการปฏิบัติเาีอะไรเพราะผู้รู้ให้ทหลายผู้รู้พ้องจิตให้ทำลายจิตจริงๆคือความบริสุทธิ์อ่างแทจริงแต่ท่านกล่ารู้เรื่องหลวพอกลารู้เรื่องไม่รู้ว่าทำลายอะไรยล้วพอผู้ท่าเป็นขยายความแห้ ทำว่าทำลายจิตก็คือความไม่ยึดถือจิตนั่เมันไม่ยึดถือจิตจิตไม่ยึดถือจิตจิตลอยวาจิตนันเั่นแหละเรียกว่าทำลายผู้รู้ไม่ใช่ทำลายสตินะคนนั้นบอกทำลายผู้รู้ที่แคทำลายสติสติแตกบ้าหรือไม่ใช่ภาวนาะนามานานะหลวงพ่พุท่าเมตตาปียามนิยาท่านนามะาท่านรู้ว่าหลวงพ่อเรียนจาลงดูเป็นผู้ใหญ่กว่ามา ท่านเไม่บอกนะว่าท่านจะสอนจนถึงตายหลวงพ่อมามาเรียนกับเราเราจะสอนใหน้ให้พูดเลยนะท่านมารยาทท่านงาวจริงท่านบอกว่าคุณจะจะมามาตักัจพิกาครับใ้ทํานายผู้รู้เล่นก่อนให้ประกอบกันท่านสอนอย่างต่ออย่างนี้นะเราฟังหูท่านเป็นคูบาอจารย์ผู้หลักผู้ใหญ่นะเราเต่งโตัวเดงเลยนะอายุนิดเดียวอย่างทีท่านพูดกันแบบนี้ที่้ท่านสอน ก็จะสอนว่าการทำรายจิแล้วก็เป็นกันไม่ยึดจิตตัวเองผ่านนานาหลายปีนะจนกระท่งหลวงพ่อพุทไล่ยังวรรณภาพว่าตนไปเจอท่านท่านเป็นเทพเจ้าานโทรศัพท์ก็เ็กราบท่ามทางเทพเจดีย์ก็เข้าไกราบท่านหลวงผมไม่เจอหลวงพ่อหายก็บอกว่าอาปะมาจันได้หลวงพ่อจับได้นักปฏิบัติดีที่มากกว่าก็กราบเรียนท่านอิกหลวงพ่อของยังทำลาย ผู้รู้ไม่ได้เลยยังทำลายชีิไม่ได้เลยท่านบอเาากเฉนะี่อนขะัา ม, า ม, มากเลยนนะผูรูท่านพูด่อมาด้นะสนานามากเลยท่านบอกว่าจิตผู้รู้เ่เหมือนตอกไขรเมื่อลูกไก่เติบโตเต็มที่มันจะเจาทำลายเปลือกออกเองท่านพูดอย่างน้นเรารู้เลยว่าโอ้ธรรมารที่ท่านพูดนี่นั้นมันจุดฆ่าทำลายคผู้รู้พูดอย่างข้าหามากขึนไม่ได้มีรับฟังหรอกจาบท่านเต็นไม้เป็นโล การที่เราจะเห็นกับคนไลายตัวผู้รู้ได้เราต้องมีจิดเห็นจิดอย่างแข่มแจ้งจิดว่าอะไรต่อเหตุใดไปละบางท่านท่านเห็นว่าจิตเป็นของไม่ดีเป็นของไม่พิเศษเป็นของไม่ดีไม่พิเศษนะก็มันไม่เขียนบางท่านเห็นว่าจิตที้ไม่ใช่ของดีของพิเศษนะถ้ามันเห็นทุกข์มันทุกข์เพามทุกผิตทั้งตัวมันว่้อไหลเป็นตัวบุคคลบางท่านเห็นว่าจิตไม่ใช่ของดีของพิเศษก็มันฝังคำไม่ได้เป็นน้ำตา ถ้าท่านเห็นว่าจิตไม่ใช่ของดีของพิเศษตัวผู้รู้ไม่ใช่ของดีของพิเศษท่านถึงจะสลัดถึงคิดถ้าเราอยากเห็นว่ากายนี้แจนี้เป็นของดีของพิเศษอยู่เราอย่าคิดไม่ได้แต่พวกเรารู้สึกให้ร่างกายนี้เป็นของดีของเราใครมาซื้ยแฉนเราแสนบาสะทายไหมไม่ออกนะเป็นของดีของเราห่วงนะแก่นังเกลียวยังไแก็ช่ยอยห่วงอี่เพราะเราเห็นว่ามันเป็นของดีของพิเศษการที่เรามาเดินปัญญา มามีจิตที่ตั้งมั่นรู้และรู้ตัวอยู่จเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เปลี่ยนแลงตัวลงในกายลงในจิตใจนี่แค่เหตุอะไการนี้ใจนี้เป็นของคงเส้นของจริงของพิเศษเหมือนที่เปนคิดเป็ยนน้หนักอย่างทุกวันนี้เราเห็นว่าร่างกายเป็ียนสูงว่างเป็นทุกข์ว่างมุสุอย่างนี้ใช่หมเิถ้าภาวนาเป็นมันจะเห็นหน้ากายมีเปล่นทุกทุกร้นล้นมีแต่ทุกข์มากแตทุกข์น้อยก็เห็นหน้ากาเป็นทุกข์จิตจะสะาดคือกายี่โร ภูมิธรรมของผู้ที่สลัดคือการใช้โลภได้คืนร่างนาคามีถ้าเมื่อไหร่เห็นจิตที่เป็นทุกข์รุ่นรจะสลัดคือจิตที่โลคพวกเรารู้สึกไหมจิตเป็นทุกข์รุ่นรุ่นเราไม่มีทางรู้สึกเลยแต่จะรู้สึกว่าจิตของเราเป็นสูงบ้างเป็นทูกข์บ้างรู้สึกไหมเรารู้สึกอย่างนี้เท่านี้ไม่ปล่อยวางเลยถ้าเมื่อไหร่ปัญญาแก่กล้าเห็นว่าขันห้าเป็นทุกข์รุ่นรกายเป็นทุกข์รุ่นรุ่นจิตเป็นทุกข์รุ่นรก็จะสลัดคือให้โลภเราจะเป็นอิสระจากขันห้าเนีปฏิิบัต่ะ ตอนนี้รูดเรื่องรูจิตตั้งแต่ต้องเลยนะดูจิตยังไงให้มีสีดูจิตยังไงให้มีสมรรถิตรู้จิตยังไงให้เกิดสัญญาดูจิตยังไงเกิดอริยมรรคดูจิตยังไงข้ามโลกเลยเป็นอรากตธรรมถ้าจิตเห็นจิตาะแก่แจ้นะเป็นอราัตธรรมงั้นพวกเรามาหันดูจิตดูใจกันเองนะขั้นแรกง่ายที่สุดเลยคืออะไรเกิดขึ้นที่จิตต้อรู้ทันตึกตัวนี้นะ เป็นใจเกิดที่จิตการรู <im> ้ท yes, ันจะตาที่เล็ิตีที่เล็กเอาแค่รู้ันอย่าไปแชกแซงอย่าไปห้ามมือนเดิเอาแค่รู้ทันนะสามันจะมีขึ้นมาแต่จากนั้นจิตหีวิธิตณรู้ันจิตหีวิจารณารู้ันเราจะได้ความตั้งมั่นจิตจะหอุดแต่ว่ากองความคิดามคิที่เป็นผู้รู้ขึงมนถ้าเรามีจิตที่เป็นผู้รู้ได้แล้วก็เราจะเป็นปัญญาได้จะทำพิธัตศนาได้เวลาทำพิธัตนาจะได้เห็นวารางกามออกไปนะรางกายกัจิตเป็นคนลาอันกัน คามทงความรู้กับจิตก็เป็นผลลัพกันครูสอนครูสอนทั้งหลายกับจิตต้เป็นผลลาพธ์กันจิตเองก็เกิดดับแล้วเกิดที่ตาแล้วก็ดับเกิดที่หูแล้วดับเกิดที่ใจแล้วดับที่ใจเองเหรองั้นเราต้องดูให้พอนะดูให้พอแล้วก็สีสันที่ปัญญาพิมุติจะเกิดเป็นลําดับลำดับไปหรือจะไปภาณนาวิธีหรือการสุดท้ายก็ลงมาิี่จิตนี่แหละหนีไม่พ้นหรอกรักษาจีตให้ดีนะถ้ามีสติรักษาจิต แต่เกิดสมาธิได้ดีนะถ่ามีสติรู้ทางจิตที่ไม่มีสมาธิจิงที่ผูกสร้างสมาธิก็เป็นเกิดมีสติรู้ตายรู้ใจอย่างที่เป็นเป็นน่ยถ้าใครชอบอชชชริจิตดูจิตเป็นไปได้แต่รู้มันเป็นแบบสิ่งที่ถูกรู้สูดูเราเป็นแค่คนดูเป็นอย่างนี้เรื่ยไปเป็นใช้ปัญญาไม่นแค่ต่อยล่อยวางจิตถ้าเมื่อไรไม่เห็นว่นจิตเป็นตัวเรา ก็จะไม่เห็นสิ่งใดในโลกเป็นตัวเรานี่คือภูมิธรรมของก้าวโสดาบัตเมื่อใดไม่ยึถือจิตต้องไปไม่ยึถือสิ่งใดในโลกนี้เป็นภูมิธรรมของก้าดาบัตเนั้นจีนี้สําคัญมากถ้าเรียนแล้ว่างตัดตรเข้ามาถึ็นตรงนีได้ก็ไปได้เร็วเลยเพาะฉะน้นว่าพอแต่บางคนจับเป็นเมพอะก็ดูเข้ามาถึงจิตก็ได้แต่ถ้ายูก่อนไม่จิตอะไรแต่จะดูไปได้จีตต้องทําสมาธิก่อนถ้าไม่มีสมาธิหลุดหลังไปดูไไม่ได้เรื่อง กินอยงคงทราบดีไม่ดีไม่ตลางไม่เข่ง้ากายนี่งนิ่ไม่เกิดกัญญาชีิตเราท่านนี้ก็ก่อนนะต้องมากกว่านี้เขไม่มีแล้วมากกว่านี้ไม่ใช่จิตอะแต่แต่ันไม่หยุดเราพูดพูดิตไม่ใช่จิตแต่พอมิใช่มิใช่จิตพจริงแล้วไม่ใช่ร่โวหานเราจิตไลายบางจิตล้วจะรู้หรือจิตไม่ใช่จิตแต่พไม่ใช่ม่ใช่จิตเป็นอะไร เป็นธรรมชาติเป็นธรรมชาติรัจิตกระทำนั้นรวมเป็นอันเดียวเลยจิตสลายตัวขึมาเป็นธรรมจิตจะได้สรงธ ร, รมธแล้วคุณกระทำท่านสรงอะไรสรงวุตออกไปจากตัวธรรมนี้แล้วเราเปี่มนขึ้นมา้ค่จิตจินใจไหนๆขึ้นมาตื่นวาดูแลเปลียนเรื่องจิตให้เัยแจ้งได้อย่าน้อยรู้ทางเดียวไม่จิดสิตมาก ไม้จอดไว้ล้าครับตั้งนิ่งแต่ก็ยังรับพ่อครับเอ่อยังไม่รับไป้ากครับพ่อจะทามาน่งครับไม่แน่ดีแล้วมีส่วนเสริได้ดคือแกก็ครับไม่มีน้องพ่อครับมันไม่ยอมหลับนะไม่ยอมเลยนะไม่ยอมหลับเลยครับไม่นอนหรอครับช่านมันเปิดรับไปนอนไหม นอนเขาบางทีนักายนอนโดนรอบๆเลยนะคางทีมัื่นรับประทานปฏิบัติที่สำคัญเหนือนกันท่านจิตต้องถึงฐามนะถ้าจิตกระจายกว้างๆมีแต่ความสุขแต่ไม่เกินสัญญาต่อมันอยากให้จิตกระจายกว้างไปไปรู้ลงอะไนกายรู้มงอะนใจอย่างความสงสัยให้คุณชึ่นเป็นจิตรุ้ทักเลยไปดูมันทางา ถ้าเราไม่คอยดูดันดูแก่แ้แต่ว่างๆโล่งๆข้างนอกไปมาที่เด็กสมสุดตัวนี้เป็นพวกหนึ่งเป็นที่ที่เราพิจารณาดึงน่าปฏิบัติเปนิงเียวเยอะเลเอาตามตามองค์จีนใช่ไหมคำร่หรือแต่ที่จีนได้ไบมนอะไรนะเอาที่ทามานี้ทางานจีแล้วนะแต่ระวังจิดเฉยๆเฉยๆอย่าเฉยๆนะ ไนร่างกายทงานน่างกาทางานก็ว่อนๆเป็นเช่ีที่นอยู่ะถูกแล้วมีเ่วนข้อรูว่าชได้กับ e ิเลสหนึ่งแล้วก็หากทาออกไม่ถูกจ้าครับชอบได้ย่งงนะกิเลสใช่หรืไม่ชอบเยังม่ใรือกันจีก็ล้วัอีกนิเลสป่ ร er sure ู้ทันมันอยาให้มันชอบมันจิ้ได้อยากเป็นปรองใจไม่ให้เฉยๆนะรักษาใจแล้วก็้ออเออยู่ไว้ไม่ดีนะก็ปล่อยให้จิทงานตามธรรมชาติธรรมดาแล้วมีสิตามดเห็นเห็นมันเปลี่ยนแปรู้สึกแม้สุทุกข์ดีชั่วให้ผลอยู่ทุกวันตรวจสอบไหมถ้าใงเราก็ทำงาน อยู่ที่หน้าไม่มีอะไรให่ดูนะอย่าให้ไปอยู่เองนะเราองการผมปฏิบัติมานี้ครับก็ร้กหวมากขึนแล้วก็ความร้นชิวสุดเลยหนตัวก็ดีละที่ปฏิบัติมานี้ก็ถูกแล้วรู้สึกในโลกกายโลกจิตตรงนตัวร่างรู้สึกในโลกอากาศ รูจสกไม่แย่ตัวเมขึ้นนี่ภาวนาความคูดก็ตกหายต่อหน้าต่อตาแล้วตอนนี้เรารักพระพุทธเจ้าสุดหัวใจรู้เลยพระพุทธเจ้าจริงหน้าตาจริงๆหน้าสมจริงๆเอ็นดามดาวน์ว่านางเก่งๆลยนะครับดีแล้มีแค่สองอันนะต้มีหลายอันนะเนี่ย มีอยู่มีคำถามอยู่คำถามหนึ่งคก็คือม่วันเมื่อไม่นานน้ทั่งีของหลวงพ่อที่ศีเดค่ะวบอกว่าถ้าถ้าใครที่ไปดาพระอินทรเนี่ยอาจจะติดั้งการเข้าถึงขอลิขิชาย่างใหรอเพราะว่านะราะต้องหลับเพาว่า่อเพาะเลยว่าหมวงเคไปก่าวระบุหลวงอท่านหนึ่งนะคะตอนนั้นสนาแล้วหลวกพเป็นพวก เจ้าควาคิดเจ้าความเห็นนะครับแล้วก็ไม่มีคนนแล้ที่จะไม่รู้เรื่องทางทัตุิลนแต่ว่าอะไรแล้วก็งได้ทํางฝั่งเขาม่ทราบว่าท่านเรียนวายาวหรือเปล่าเพว่าหนูก็อยากถามว่าการติดการท่องสอนี่หมายถึงว่าตั้งแต่ระดับสุขการันตีไปเลยด้วยใช่ไหมคะขออนุอรแล้วกอานของมาได้ใช่อเราคุณก็ใจใจก็ขอประมาณอั้นโอ้ตามแม่แล้วก็แกงั อ๋อแต่ว่าถ้าถือว่าได้ขอมาท่านอย่างในโอกาสต่างๆในใจก็ได้ใช่ไหมคะอมอาท่านในใจรือเล่าไม่ไการในใจเป็นขอขอในใจก็ได้ดีตามเลยกานนั้นีจริงๆหนก็ไม่แน่ใจว่าตัวเองะพูดมาดังๆว่าจกจะได้ได้สอบใช่ไมคตอนได้ขอมาให้การเพราะว่าคุณว่า ผมรการแจเหตุรวผมกับคณะจากมหาลัยศึษาจากวิทยาลัยมหาลัยศกามามข้อมูลทหลังจากเลิกงานตอนนี่ระกบิกันมาส่วยผมเองผมเคยมาที่นี่หนึ่งครั้งสองปีที่แล้วแต่ยังไม่ได้ตรงกันบ้างอะไรหลพ่อครับก็ปอนนี้มาฟังทีวีของหลวงพ่อนะครับแล้วก็รู้สึกว่า ม, มันเปลี่ยนแปลงไปดูเองก็อยู่ได้ครับนีบ่ไหละปีนี้จะรู้เองนะครับบกวก็มีความภายในมีความมั่นคง ใ, น, น, น, ใ น, นในสถานครับแต่ว่าก็รู้รู้ผู้ทามครับก็ช่วงนี้งานมากขึ้นงานมากขึ้นก็ทําให้จิตใจปรุงสร้างหนุนนานขึ้นหนงนานขึ้นครับแต่ว่ายังไงก็พยายามที่จะหลอมรวมเ ข, ข้าไปในชีวิตประจํจาวันเปลี่ยนตั้งแต่เวลาทํำในทุกแบบนะ แต่เวลาเช็ดตืน่นเชิญขึ้หน่อยุกวันไว้ครสวดมนําปรสมาธิเป็นจุดเดิมทในรูป แ, แบบสิบนาทีสิบ้านา ท, ทีก็ยังดีจะทำให้จิตมีพลังั น, น ก, ก็เวลาที่เหลือจะดนสุขีในชีวิตประจำวันกอนแรกยังไม่มีแรงจีบเมือนี่ฉันจะดูไม่จดหรอกก็สุดท <c oughs> ้ายก็ม <c oughs> ีขอกัน บ, <c oughs> บ้างหลวพ่อไม่ใหราหน้าเขาหงที่ฝึกดีมากเห็นตอเปลี่ยนใจเขาตัวเองเล แต่บานบอกคุณเช่าอัศจารย์จิงจริงนครับศจรรย์มากนักการเงิก็นี่เป็นครั้งแรกที่ได้มาถามค่ะคือรู้เคยมีข้อสงสัยรูเครได้ยินว่าติดในปิดแต่ว่าก็ไม่เลยก็สงสัยตลอดว่าติดในปิดคืออะไรได้อยู่วันเดียวมันก็มีสิ่งภายในนะคะว่าบอกว่าผิดนโง่โง่บอกวผิดโง่ความแงีก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะ เราว่ามันมีอะไรอิูนในนั้นหรือเปล่าว่ามันมีสติอยู่มีจิตหรือเปล่าอพอระหว่างหนึ่งวันนึงก็ทํางานปกตินะคะแล้วก็เหมือนอยู่ในห้องน้ําค่ะแำลเหมือนกับกติตสตินะคะสอนจิตและ้ะจิตมันต้องแยกออกไปกับขิดแล้วค่ะว่าเขาเข า, เขาไปทํางานคือเขาไม่ฟังะคะ่ะไม่ไฟังสติค่ะก็สติเแค่สติอเลยบอกว่าใค่จิตฟังจิตก็ จิตก็ไม่จิตก็ไม่ฟั ง, ก, ฟงก็เลยอ่างแล้วเริกไปแล้วก็ก็มาเจอเคสธรรมะที่ที่สอนบอกว่าอยากไปแท้แทนเขาให้ที่ดูเขาเฉยๆนะคะดอเขาพยายามที่จะดูค่ะแล้วก็ขอย้อนเรื่องของจิตในจิต <c oughs> นะคะหดูก็เลยแน่ใจว่าหดูเคยดูที่ดูเห็นที่ดูเคยได้ยินแล้วดูก็มาเห็นมาเหมือนกับ ร, รู้เหมือนกับเห็นรู้เฉยๆนะคะแต่ยังไม่ถึงรท่านเห็น ก็รู้ว่ามันมีจิตในจิตก็เลยไม่แน่ใจว่าอย่างนั้นไม่ใช่ไม่ยั่นเป็นวาแต่ที่ชอดอยู่ในจิตคำว่ากายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมไม่ไม่มีอะไรอยู่ข้างในอะไรหรอกมันเป็นเทคนิคเข้าถึเฉพาะเป็นทงานวิจัยคือเป็นนักวิชาการนะใช่ค่ะเนี่ะเรื่อทกาวิจัยเวลาเราวิจัยเราสูดตัวอย่างใช่ เราสูตตัวอย่างเราเรียนกายบางอย่างถ้าเข้าใจเราจะเข้าใจทั้งหมดเรียนเวทนาบางอย่างถ้าเข้าใจเั้จเข้าใจเวทนาทั้งหมดเรียนจิตบางอย่างถ้าเข้าใจเาจะเข้าใจจิตทั้งหมดคําว่ากายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตตั้งในตั้งคือการสูตรตัวอย่างมาเรียนด้วยมาทำวิจัยการปฏิบัติตามคือการวิจัยนะถึงเรียกว่าทำวิจัยยักษ์ทวิจัยยักวิจัยธรรมะเราสูตรตัวอย่าง อย่างบางคนที่โลกใจโลกเจออะยากได้ตลอดเวลาเลยเราความโลกเนี่ยเราจิตโลกนี่แหละมาเป็นกรรมฐานล้วก็ไปดูแบนจิดเดี๋ยวก็โลกเดี๋ย ว, ย ว, ยวก็ไนะม่โลกเดี๋ยวยก็โลกเดี๋ยวก็ไม่โลกนี่แหละจิตโลกนั่แหละทื่เราจิตในจิดไม่ใช่มิจิตซจิตนะจิตมีโนเดียวยันกิเลสซ้อนอย่างในมีชาติซ้อยู่ขอตายเด้จะคุมค้มมาก ทุกวันทําังรูปแบบ้างนะหรือว่าหาเครื่องอยู่ให้จิตอยู่แบบพูดตัวอยู่ลงใส่ใจะก็ได้แล้วจิตดีแล้วรูปกบน่อยอย่าให้ใจแตบตรงถ้าตันั้นจิตมันจะตั้มั่นจิตออกนอกหรือออกไมจิตออกนออยันจไปข้างอกตลอหรือไปดูเนนักศึกษาคุณคุณผ่านเปั เป็นคํา้งแรกที่เดือนการขัที่ได้เียวกับมาที่นี่แต่ก่อนหน้านี้ก็เมื่อได้เรียนเองค่ะปร่ทับประดึงประดึงที่ได้ปัดให้ของพ่แต่ว่าได้ยินหนาขอพ่อมามาระยะึงแล้วแล้วก็ประทับใจมากที่ได้มาขอเรียนถามเพื่อว่าในช่วงบางช่วงที่ได้ปฏิบัติรนการด้างสมานที่นี่กัะ ก็บางครั้งก็มีความรู้ว่าเหมือกับอยู่ดีๆนั่งไปนั่งไปแล้วเหมือนกับหายไปเลยรู้สึกเจออยู่ไหมรู้สึกเจออยู่ใช่ได้นั่งไปหายไปแล้วเนื้ออะไรหนเป็นเป็นความชื่อที่สิ่งกายหายคามเช่วิจิตย์ในไหนที่จิตเท่าสมบัติอย่ากให้กาดสิจิตแต่ถ้าจิตก็หายไปเรืยใช้ไม่ได้เลย แล้วแล้วขอ้ใครเข้านาว่าจะทยังไงตปดูีนะมวันเกิดรู้บ่อยๆจิป็นได้พัฒนาเป็นตัณาเป็นจิตที่วิ่งติดเฉยๆทำสมาธิไมได้ไม่ได้ทาสมาธิบำคับจิตไม่ได้ทาสมาธิรู้ทันจิตรู้โทรู้ทันจิตหายใจรู้ทันจิตรู้พันรู้ทนจิตเองนั่นเขาจะต่อยๆปลดปลยไม่ดี ถ้าเราจบใจกับรับมไมญญ่ได้เดี๋ยวมนยิ่งหนักนาสนครที่แล้วมันหนักเลยเป็นางช่วงที้แค่ช่วงแรกก็แางานแ่ตัว้าย่างนี้ใช้ได้เริม่มก็ตื่นไว้ก่อนอย่างนี้ไม่เป็นไรตืนแล้วร่างกายหลับนิ่งร่ายหอนิ่งเข้าสมาธิฮนะไม่เกิดขนาดสมะำเก่าแก่ก็เกิดทก่ทุกตัวเราเป็ น, น ส, นนสาวคลื่ๆ น, นะ จวตามนาิกาต่างๆเร็วนะไม่ใช่เร็วเท่าเดิมเร็วตั้สามโมเช้าแล้วเราเห็นนาฬิกาเร็วนี้้เราไปถสามทุ่หรือสามโมเช้าาทุ่มทำมต้องสามทุ่มองนุบลเนาะแนครับสามมกันพ่อครับแต่ว่านมีแล้วกว่าคอมันไม่ผิรมรู้ว่า ที่ลูกเกิดมนทำงานาแล้วก็การะตุมะที่งนานเนี่ยจิจะรู้สภาวะได้ชัดเป็นตื่นวันนี้จิตตื่นเต้นมากแล้วก็้อริ่มที่เหนื่อยไ้ออนอกครับเห่อไม่ด้ผ่ออานครัาวนาดีแล้วเป็นคำตอบดที่นี้มั น, นมีคนนงคนที่ลูกที่ชอบ้นมันเื็นมากครับลูกเกิดทารูกเอง ก็ง่ามน่าอของจิมันถึรเ็กชื่อใจผูนเราทำผิดใครทรูก็ิดพอท้าผู้อ่านจะติดถ้าติดติดไม่ติดจะหตงนี้นะถ้าเจงละพลานะจิตละโสดาเนี่ยถ้าเราเกิดความจิตดีพอใจแล้วเรารู้ผ่านสิ่งนี้ไม่ตแต่ถ้าจิตดีพอใจแล้วไม่รู้ท่านเหลนี้มันติด การนรว้ต้องตรวจกี่รอบวานจริจริงอเปล่าหอานเป็นตาออกมาในเกงเงเนรื่องน้ำรนนีหลวงพ่อเรสาวผมตั้งใจจะให้จริงุกจริงไปโทน้าดูว่าสมงแอะรก็ก็แตงก็มาด้วยจะประัดทุกยอะไเนี่ย อกลี้ยงกันครับงออาจ้รย์จะพยายาให้เขส่งคำรัวว่าเขายอมยอมทิ้งแล้กินอะไรไม่หวังคุกคลอบอีกแล้วอีกแล้วเขาอยู่กับครูบาอาจารย์แล้วอยู่ในไม่ดีไม่ใชานรื่องการที่จะบารมี จริงๆแล้วมันกึอยู่ทว่าเราปฏิบัติมากแค่ไหนหรือว่าจริงๆแล้วมันก็ทำไม่ได้ทำไม่ได้นะแต่ต้องทำทำธรรมให้สมควรแก่ธรรมะธรรมะต้องเสู่ใจเราปฏิบัติธรมให้สมควรแก่ธรรมะก็ได้ทรเป็นธรทมธรรมธรรมอยู่ๆธดรมธรรมอยู่ๆก็ได้ผมฝากดีๆของพ่อมาเรียนนดนึดงนี่ก็เป็ยางหนึ่ เรียนเรียนหร อ, อคือที่แขกเขาเห็นแจผมซึ่งเรียนเพ่งครับนะคือวันนั้นผมผมอยู่ในบ้านมผมดี่เตียงอัวดาผมเห็นผมก็เต้นเป็นตามโยกตามหัวดำแล้วผมสะดุ้งขึ้นมาว่าผมจะเต้นยังไมผมเห็นผมรู้สึกถึงการเคลื่อนของว่าจิตมันตัดกล้กายกันอย่างเออ อันที่สองก็กับรถผ่านได้เจอผ่านไนโอดอสวยคนระับทีนี้หลังจากั้นราก็ลองนั่งผมพยายามใส่ความคิดเข้าไปว่าผมเห็นเห็นผงเน้นผมที่ ม, ยมโยนตาโตๆของาอืว<ม>ผมพยายามคิดว่านั่นคือผง<ม>แต่ตอนนั้นผมรู้สึกได้เลยว่าใจผมมันไม่ยอมรับ ว, ว่านั่นเป็นผมมันคือของช่วยของ่ะอืับ แลก็ไม่ยอมมองว่าผิวน้มันปิดแค่ผิวนังมองว่ามันขาวระเบิดคือตอนนั้นซื่อๆจิตใจของเราเห็นว่าสาวสวยรู้ว่ามันสวยนะรู้ว่าใจเราชอบรู้ว่าชอบก็สัมัสอยู่ตรงนิ่วตาตรงที่รู้น้ำใจของเราเอ่ใช่แค่คิดว่ามันไม่สวยใจไม่เชื่อถ้าดูแล้วก็ยังสวยอยู่คือแล้วทำยังไงเวลาที่เรารู้แล้ว ให้รู้ทันถ้าจิตคุณแตกจิตเริ่มคแต่แล้วให้รู้ทันเวลาจิตคุณแตกต้องปรงไปเรื่อยๆอย่างเราเห็นสาวเห็นผมสวยแยาวปัญญาติว่าไม่สวยนั่แหละกมีอะไรที่อไ้ราปัญญาลำหน้าปัญญาลำหน้ามิวสรุปไปเรื่อยๆดแกูแให้เยอะๆเพื่อสรุปอะไร สรุปแนวเง่นตอนนี้นนนกำลังของคนอยู่ไกลมากมหาสาระาวยาโสธรรับรองเสมอเลยอย่า น, น, นล่าวอะไรว่าการพูดอะริึกหรเร่งตีสาระร้าว่ามวายิโตรนีนะเพืาอทารุสตกตี ดิวซิตาร์กติดตั้งผนังที่เป็นเ n ืวัสดุสึกตุสักเก็บขอกสังาตัโาสระโาสัวิโวิวัังสโรีนสมเวรายสุีิภาวาิวาากายโนัรธมัอสุขังัง เราลุกโผล่าทานบุญให้กนนะขออนุาตปจจัยนสวนะขออนุญาอขอสวหยต้องประาก็ถใจที่ร่นกับหลวพ่นี้ตามมือหลวงปัอจติจามา